คือพศส2งสก่อนสมเด็จพระนารายมหาราชสวรรคตปีเดียวฝรั่งเศสส่งเรือรบมาด้วยหลำพร้อมทั้งทหารห0ร้อยนายห น, หนังสือ Encyclopedia Britannica 1997หัวข้อนารายและหัวข้อฟ a l คอนเขียนไว้รวมความว่าในเดือนธันวาคม1685ห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 เมื่อเกิดรู้ขึ้นมาว่าการแผ่ขยายอาณานิคมของสเปนและโปรตุเกสในทวีปเอเชียสำเร็จได้ด้วยอาศัยผลงานของพวกมิชนารีเหล่าโชกุนแห่งยุคโทกูเงาวะก็จึงมองพวกมิชนารีว่าเป็นภัยคุกคามต่อการปกครองของตนการที่พวกขุนศึกสมุไรเกิดรู้ทันขึ้นมาได้นี้ส่วนสำคัญก็เนื่องจากพวกนักล่าอาณานิคมด้วยกันแต่นับถือศาสนาคริสต์